2. ทุติยวักหมวดที่สองหนึ่งอิจฉานังคาลสูตรว่าด้วยพระธรรมเทศนาที่กรุงอิจฉานังคละ987สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่นะไพรสนชื่ออิจฉานังคละเขตกรุงอิจฉานังคละณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่า ภิกษุทั้งหลายเราปรารถนาจะลีกเกรนอยู่ผู้เดียวสักสามเดือนใครๆอย่าเข้าไปหาเรายกเว้นภิกษุผู้นำอาหารบินธบาตเข้าไปให้รูปเดียวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วในสามเดือนนี้จึงไม่มีใครๆเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเลย ยกเว้นภิกษุผู้นำอาหารบินธบาตเข้าไปถวายรูปเดียวครั่ง ล, ล่วงสามเดือนนั้นไปพระผู้มีพระภาคก็เสด็จออกจากที่หลีกเร้นแล้วรับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายถ้าพวกอัญญาเดียรถีปริพาชกพึงถามเธอทั้งหลายอย่างนี้ว่าผู้มีอายุทั้งหลายโดยมากพระสมณโคดม ทรงอยู่จำพรรษาด้วยวิหารธรรมข้อไหนเธอทั้งหลายถูกถามอย่างนี้พึงตอบอัญญาเดียรถีปริภาชคเหล่านั้นอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายโดยมากพระผู้มีพระภาคทรงอยู่จำพรรษาด้วยอนาปานสติสมาธิภิกษุทั้งหลายขณะนี้เรามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออก เมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวหรือเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจเข้าสั้นหรือเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจออกสั้นย่อมรู้ชัดว่าจะรู้แจ้งกองลมทั้งปวงหายใจเข้า ย่อมรู้ชัดว่าจะพิจารณาเห็นความสละคืนหายใจเข้าจะพิจารณาเห็นความสละคืนหายใจออกภิกษุทั้งหลายความจริงบุคคลเมื่อจะกล่าวให้ถูกต้องพึงกล่าวถึงธรรมนั้นใดว่าอริยวิหารคือธรรมเครื่องอยู่ของพระอริยบ้างพรงวิหาร คือทำเป็นเครื่องอยู่ของพรหมบ้างตถาคตวิหารคือทำเป็นเครื่องอยู่ของพระตถาคตบ้างเมื่อจะกล่าวให้ถูกต้อง<ม>ก็พึงกล่าวถึงอานาปานสติสมาธิว่างอริยวิหารบ้างพระอวิหารบ้างตถาคตวิหารบ้างภิกษุเหล่าใดเป็นพระเสขะยังไม่บรรลุอรหัตผล ย่อมปรารถนาธรรมเป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมอยู่อานาปานสติสมาธิที่ภิกษุเหล่านั้นจเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นอสวะส่วนภิกษุเหล่าใดเป็นอรหันตขีนาศอยู่จบพรหมจารย์ทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วปลงภาระได้แล้ว บรรลุประโยชน์ตนโดยลำดับแล้วสิ้นภวะสังโยชน์แล้วหลุดพน้นแล้วเพราะรู้โดยชอบอานาปานสติสมาธิที่ภิกษุเหล่านั้นจเจริญทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความอยู่เป็นสุขในปัจจุบันและเพื่อมีสติมีสัมปชัญญะภิกษุทั้งหลายความจริงบุคคลเมื่อจะกล่าวให้ถูกต้อง พึงกล่าวถึงธรรมนั้นใดว่าอริยวิหารบ้างพรหมวิหารบ้างทถาคตวิหารบ้างเมื่อจะกล่าวให้ถูกต้องก็พึงกล่าวถึงอนาปานสติสมาธิว่าอริยวิหารบ้างพรหมวิหารบ้างทถาคตวิหารบ้างอิจฉานังคลสูตรที่หนึ่งจบ